ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแดดสาทุชนผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการธรรมะส่สันติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้เป็นประจำและในวันเวลาเดียวกันนี้ วันนี้อาตมาภาพขอนำเสนอธรรมะจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งวันนี้ก็เป็นปาตกถาธรรมที่ท่านได้แสดงไว้ณนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สบเดือนธันวาคมพุทธศักราช25้าสี่เอที่ผ่านมานั้นในเรื่อง จะทำตนอย่างไรให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจซพเซารเรื่องราวเป็นที่น่าสนใจว่าสาธุชนที่กำลังเผชิญอยู่กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้จะได้นำสารธรรมจากปาฏกถาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังร่มกัน นาปัดนี้เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาทกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนสำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายทำเรื่องทำตนให้เป็นสุขในยุคเศรษฐกิจซบเซาก่อนอื่นอาตมาภาพใครจะขอทาความเข้าใจ ความหมายของคําว่ายุคเศรษฐกิจซบเซาสักนิดว่าณที่นี้หมายถึงยุคที่สภาวะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศกําลังฝืดเคืองชะงักงินคือไม่เจริญกล่าวคือเป็นยุคที่ภ า, าคอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตต่ําการจ้างแรงงานลดน้อยลงประชาชนในประเทศมีอัตราการว่างงานสูงจึงมีรายได้น้อยและมีกําลังซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคน้อยการประกอบ ธุรกิจการค้าก็ฝืดเคืองมีรายได้ต่ำหรือขาดทุนต้องเลิกหรือปิดกิจการมากขึ้นรัฐบาลจึงเก็บภาษีได้น้อยไม่เพียงพอที่จะใช้ใจ่ายในการพัฒนาประเทศและหรือให้บริการแก่ประชาชนคำว่ายุคเศรษฐกิจซบเซาที่จะกล่าวถึงในปาตกถาธรรมนี้หมายเอายุคที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศที่เป็นอยู่เช่นนี้ดังที่กำลังเป็นอยู่ในทุกวันนี้นั่นเอง จึงมีปัญหาว่าภายในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซบเซาอยู่เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นประชาชนสามารถจะทำตนคือปฏิบัติตนให้เป็นสุขได้อย่างไรนี้คือประเด็นที่อาตมาพาจะได้พูดในวันนี้เรื่องความสุขที่ทุกคนปรารถนานั้นแต่ละคนอาจจะปรารถนาความสุขที่คล้ายๆกันบ้างที่แตกต่างกันบ้างทั้งประเภทของความสุขและระดับความสุขที่แต่ละคนปรารถนา จึงยากที่จะกล่าวถึงความสุขในความหมายกว้างให้ถูกอัธยาศัยและความปรารถนาของทุกคนได้ณที่นี้จึงจะกล่าวแต่เฉพาะความสุขขั้นพื้นฐานโดยธรรมคือความสุขด้วยความสงบชื่อว่าความสันติสุขอันผู้มีปัญญาพึงกระทําให้มีได้ด้วยกันทุกคนได้แก่ความสุขจากความสําเร็จในหน้าที่หรือกิจการงานในอาชีพโดยชอบหนึ่งความสุขจากการได้ใช้สอยทรัพย์ เพื่อการดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ที่หามาได้โดยสุจริตหนึ่งและความสุขจากการที่สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีหนึ่งเหล่านี้ผู้มีปัญญาอันเห็นชอบสามารถกระทําให้เกิดมีขึ้นได้ด้วยกันทุกคนดังจะได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติตนให้ถึงความสุขความสันติสุขอันบุคคลพึงปรารถนาดังกล่าวนี้ต่อไปประการที่หนึ่งผู้ประสงค์จะได้ความสันติสุขจากความสําเร็จในหน้าที่ หรือกิจาการงานในอาชีพโดยชอบก็พึงปฏิบัติ ร, รมตามคุณธรรมเครื่องช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและถึงซึ่งความสุขในปัจจุบันได้ดังนี้ 1. ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจาการงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือการงานอาชีพโดยชอบชื่อว่าอุตถาแสัมปทาเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหลักธรรมคือพระธรรมวินัยให้เข้าใจถ่องแท้ และขยันมันเพียรในการปฏิบัติไตรสิกขาเพื่อสร้างพระในใจตนโดยการอบรมความประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีลและสํารวมระวังการรักษาศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่องเป็นอธิศีลคือศีลอันยิ่งนี้ประการหนึ่งโดยอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองค์คุณเครื่องกําจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาชื่อว่าอธิจิต คือจิตอันยิ่งนี้ประการหนึ่งและการอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในกองสังขารถึงเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจสี่และเห็นแจ้งรู้แจ้งในวิสังขารคือพระนิพพานตามที่เป็นจริงตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติจึงช่วยการเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามผลและหรือประสบการณ์จากการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัจธรรมมาดีพอสมควรแล้ว ให้เป็นประทีปสองทางดําเนินชีวิตของประชาชนด้วยความอนุเคราะห์ตามสมควรแก่ภูมิธรรมและภูมิปัญญาบารมีของตนเพื่อช่วยสร้างพระในใจคนอื่นด้วยดังนี้แล้วก็ย่อมจะยังประโยชน์และความสันติสุขแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้มากเป็นข้าราชการเป็นพนักงานลูกจ้างแรงงานและเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าการเกษตรก็ตามก็ต้องข้นขวายในการศึกษาหาความ รู้ให้รอบรู้ในหน้าที่กิจการงานในอาชีพที่ตนรับผิดชอบให้สมบูรณ์และไฟศึกษาหาวิชาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ให้ทันความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆเพื่อให้สามารถริเริ่มวิธีการหรือโครงการใหม่ๆตลอดทั้งให้รู้จักวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาในกิจการงานของตนของตนให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงก็ย่อมมีโอกาสประสบผลสําเร็จในชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่กิจการงานและในอาชีพได้มากในทุกยุคทุกสมัยอย่างน้อยในยุคเศรษฐกิจซบเซาอย่างนี้ก็ไม่ตกต่ำหรืออาจจะตกต่ำไปบ้างตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็สามารถจะแสวงหางานได้ใหม่โดยไม่ยากเพราะคนดีมีความรู้มีความสามารถและมีสติปัญญาใครๆก็ต้องการให้มาช่วยทางานให้กิจการงานของเขาเจริญขึ้นเป็นธรรมดากล่าวได้ว่า คนดีจริงย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ถ้าขาดความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและขาดความกระตือรือร้นขาดความสนใจเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้และมีการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามคือสักแต่พอทำงานให้หมดเวลาไปวันหนึ่งๆกว่าจะมาถึงที่ทำงานก็สายมาถึงแล้วก็เอาแต่พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระพอตกบ่ายก็หายหน้าขาดความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ ลอยให้การงานข้างค้างไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและขาดความเอาใจใส่ในการกระทํากิจการงานให้สําเร็จด้วยดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะประสบความสําเร็จความก้าวหน้าและความมั่นคงในการงานแม้เป็นเด็กในวัยเรียนก็ต้องภาคเพียนกระตือรือรน้นสนใจเอาใจใส่และภาคเพียนเรียนรู้ทําความเข้าใจในบทเรียนทําการบ้านที่ครูอาจารย์มอบให้ให้ทันเขาอย่าให้ข้างค้างเป็นดินพอกหางหมู อันจะทําให้เรียนรู้ไม่ทันเขาอย่าหลงเพลิดเพลินไปตามหมู่หรือเพื่อนๆในเรื่องไร้สาระอันทําให้เสียการเรียนต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอทําได้อย่างนี้การเรียนย่อมสําเร็จและเจริญก้าวหน้าและก็จะขอเน้นแก่ท่านทั้งหลายว่าความขยันหมั่นเพียรจริงๆนั้นนํามาซึ่งความสําเร็จได้จริงๆโดยไม่เลือกเพศวัยและฐานะสมตามพระบาลี พระพุทธภาษิตมีมาในขุธกานิกายสุตตนิบาตพระไตรปิโรกเล่ม25ข้อ311ว่าปติรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนมีหน้าที่กิจการงานขยันมันเพียรทำกิจการงานให้เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้และขอเน้นอีกสักนิดว่าความขยันมันเพียรอันจะนำไปสู่ความสำเร็จอันจะได้รับการยอมรับการยกย่องนับถือ ความสันเสริญในคุณความดีและจะได้ถึงซึ่งความสันติสุขในชีวิตจริงๆต้องเป็นคนเป็นความขยันหมั่นเพียรที่สัมปยุต ด, ด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบคือรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงมีกิจการงานที่สะอาดเป็นผู้สำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษกอบด้วยศีลและธรรมและมีความเป็นอยู่ที่ไม่ประมาทหลงมัวเมาในชีวิตได้อย่างแท้จริง สมดังพระบาลีพระพุทธภาสิตมีมาในขุตกานิกายธรรมบทเล่มที่25สข้อ311ว่าอุทธานวโตสติมโตสุจิกรรมมสะนิสัมการิโนสัญญาตัดสะจะธรรมชีวิโนอัปมตัดสะยะโสภวัตติแปลความว่าเกียรติยดย่อมเจริญแก่ผู้ขยันมีสติมีการงานสะอาดใครครวญแล้วจึงทำ สัรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทเหตุนี้ผู้ขยันกอบด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจึงเป็นผู้มีโอกาสประสบความสําเร็จและมีความสันติสุขในชีวิตสูงยิ่งกว่าผู้ขยันแต่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถน้อยและมีคุณธรรมต่ำส่วนว่าคนเกียจคร้านขาดสติปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมและไร้คุณธรรมด้วยแล้ว ย่อมหาความสําเร็จและความสันติสุขอันแท้จริงในชีวิตไม่ได้เลยข้อ 2. ความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่ธรรมาหาได้โดยสุจริตชื่อว่าอารักษสัมปทาหมายความว่าทรัพย์สมบัติที่ธรรมาหาได้โดยสุจริตพึงดูแลรักษาให้มั่นคงรู้จักใช้อย่างทนุถนอมให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าไม่ใช้สอยทรัพย์สิ่งของอย่างไม่รู้คุณค่าคือไม่ใช้อย่างไม่ประณีประสายหรือไม่ใช้อย่างทิ้งทิ้ ง, งควา่าง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหายที่พอจะซ่อมแซมได้ก็จงซ่อมแซมให้ใช้ได้ต่อไปนี่เป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าจะขยายความหมายของธรรมะข้อนี้ให้กว้างออกไปถึงการรักษาสถานะของครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคงไม่แตกแยกด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมการรักษาฐานะในหน้าที่การงานให้เจริญและมั่นคงไม่ตกต่ำด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถ มีการงานที่สะอาดและไม่ประมาทและการรักษาสถานภาพทางสังคมของตนไว้ให้ดีด้วยคุณความดีมีความเป็นอยู่โดยธรรมอย่างนี้ก็จะถึงความเจริญและความสันติสุขในชีวิตได้เป็นอย่างดีในทุกโอกาสเพราะสถานภาพของครอบครัวฐานะในหน้าที่การงานและสถานภาพทางสังคมก็เป็นทรัพย์สินเครื่องปลื้มใจของชาวโลกเหมือนกันข้อที่สการรู้จักคบคนดีเป็นมิตรชื่อว่า กัญญาณมิตรตาการที่จะรู้จักเลือกคบคนดีเป็นมิตรนั้นตนเองจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นผู้มีคุณธรรมคือมีศีลมีธรร ม, ม, รรมตามสมควรแก่ฐานะของตนก่อนเมื่อได้ปฏิบัติตนดำรงตนอยู่ในคุณความดีเป็นปกติแล้วย่อมรู้จักคุณความดีว่าเป็นความดีและย่อมเห็นคุณค่าของความดีตามที่เป็นจริงได้แล้วจึงจะสามารถเลือกคบคนดีได้ถูกต้อง และก็จะสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคนดีได้อย่างสนิทแน่นแฟนมั่นคงแล้วนั้นนั่นแหละจึงจะเห็นคุณของการรู้จักเลือกแต่คบแต่คนดีมีศีลธรรมมีความรู้ความสามารถเป็นมิตรได้คุณของการรู้จักเลือกคบคนดีเป็นมิตรนั้นก็คือว่าถ้าคบคนเสมอกันก็จะได้คนดีเป็นมิตรก็จะสามารถมีเพื่อนคู่คิดมีมิตรคู่ใจพากันไปแต่ในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ชั่ว ในยามยากหรือยามมีปัญหาก็สามารถจะพึ่งพาอาศัยกันได้ตามสมควรแต่ถ้าครบคนที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถที่สูงกว่าตนก็จะพลอยได้เห็นตัวอย่างที่ดีได้รับคำแนะนำในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้ตนเองดียิ่งขึ้นนำชีวิตตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้ดียิ่งขึ้นไม่เสื่อมเลยสมดังพระบาลีพระพุทธภาษิตมีมาในขุทกนิกายเถราคาถา เล่มที่26ข้อ322่ว่าปาปมิเตวิวัตเชตวาระชัยยุตมบปุคเลโอวาเทจัตสะติถไยยะปัตเถนโตอจลังสุขังผู้ปรารถนาความสุขที่มัน่นคงพึงเว้นมิตรชั่วเสียครบแต่บุคคลสูงสุดและพึงอยู่ในโอวาทของท่านตามพระพุทธดำรัสนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคงพึงเว้นมิตรชั่วคืออย่าได้คบคนชั่วได้แก่คนพานปัญญาขูขะโฉดเข า, ขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงบุคคลเช่นนี้จงหลีกให้ห่างไกลเพราะคนชั่วคนพานมีแต่จะนำผู้คบค้ากับเขาไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษให้ถึงความทุกข์เดือดร้อนได้ทุกเมื่อเหมือนอย่างเด็กวัยรุ่นที่ชอบชักนำกันไปสู่แหล่งอบายมุข เสพสิ่งเสพติดมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แก่สุราบุหรี่กัญชายาบ้ายาอีย า, ยาหัวสันเป็นต้นแล้วก็หมกมุ่นสัมศนในกามบ้างก็ทําการฉุดคร่าอนาจารข่มขืนผู้อื่นและก็เรื่องทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้เสียการเรียนเสียอนาคตกันมามากต่อมากในทุกวันนี้หรือผู้ใหญ่ที่มีพรรคพวกหรือว่าคบคนพานคนชั่วผู้ขาดศีลขาดธรรมเป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมเห็นร่วมอุดมการณ์ย่อมจะประสบแต่ความเสื่อมหาความเจริญและสันติสุขไม่ได้ดังที่รูรเ้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ยิ่งถ้ายุคใดคณะบุคคลผู้บริหารประเทศมีบุคคลชั่วขาดศีลขาดธรรมไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไร้สติปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงมาทำหน้าที่บริหารประเทศชาติมากเพียงไรก็ย่อมจะมีผลให้ทั้งประเทศชาติและประชาชนถึงความทุกข์เดือดร้อนมากเพียงนั้น เพราะเหตุนั้นการเลือกตั้งบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศทุกระดับแทนตนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจึงควรต้องพร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพยายามเลือกสรรเอาแต่คนดีมีศีลมีธรรมและมีความรู้ความสามารถให้เข้ามาทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศชาติแทนตนก็จะช่วยให้บุคคลดีๆเหล่านั้นช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซบเซา กลับฟื้นคืน ส, สู่ความเจริญและมั่นคงสามารถพัฒนาประเทศชาติและนำประชาชนไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้มากจงอย่าเห็นแก่เงินที่เข้าจ่ายเพื่อซื้อเสียงและก็อย่าเห็นแก่หน้าแล้วเลือกตั้งเขาเข้ามาจงพิจารณาเลือกตั้งแต่คนดีจริงๆและเลือกพักการเมืองที่มีสมิสมาชิกพักการเมืองที่มีคนดีมากที่สุดที่มีคนเลวน้อยที่สุดให้เข้ามาทําหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศชาติให้ได้มากที่สุด คนดีเหล่านั้นจะได้มีเสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลบริหารและพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองและถึงความสันติสุขได้ดียิ่งขึ้นตามลำดับข้อที่4การรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ธรมาหาได้ให้พอเหมาะกับฐานะคือไม่ให้ฟืดเคืองนักและไม่หรูหราฟุ่มเฟือยนักจนเกินฐานะของตัวชื่อว่าสมัชชีวิตาทรัพย์ที่ธรรมมาหาได้โดยสุจริตนั้นจะเป็นรายบุคคลก็ตามหรือรายครอบครัวก็ตาม คือรวมรายได้ของสมาชิกครอบครัวโดยสุจริตแต่ละครอบครัวก็ตามพึงนามาแบ่งจัดสรรเพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็นประเภทต่างๆให้พอเหมาะกับงบรายได้ของตนอย่าพยายามตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเกินดุลเหมือนรัฐบาลเพราะอำนาจและวิธีการหาเงินรายได้ของเอกชนนั้นต่างจากรัฐบาลมากนักรัฐบาลมีอานาจและมีวิธีการหารายได้ให้เพียงพอแก่งบประมาณการจ่ายเงินได้ตามกฎหมาย แต่เอกชนมีรายได้จำกัดเท่าที่แหล่งรายได้จะพึงมีให้ได้เช่นรายได้จากเงินเดือนประจําหรือจากผลผลิตผลกําไรธุรกิจที่พอคาดคะเนได้ในวงเงินจำกัดเพราะฉะนั้นเอกชนไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลก็ตามหรือรายครอบครัวก็ตามจากต้องมีแผนการจ่ายเงินหรือจัดสรรรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่างๆที่พอเหมาะคือประหยัด ต, ตามฐานะของแต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน และพึงต้องการเงินไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมไว้ใช้ในยามจําเป็นเร่งด่วนเช่นยามเจ็บไข้ใดป่วยหรือไว้เป็นทุนในการประกอบกิจการหรือขยายการประกอบกิจการที่ได้วางแผนและโครงการไว้ดีแล้วอย่าพยายามก่อห น, นี้สินโดยไม่จําเป็นหรือโดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงและอย่าใช้จ่ายไปในทางอบายมุกเช่นการพานัน การชมและติดการละเล่นการจัดงานเลี้ยงบันเทิงเรืองรมจนเกินจําเป็นและเกินฐานะการหมกมุ่นและสัสอนในกิเลสกามการเสพสิ่งเสพติดมือนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการติดอยู่ในอบายมุกเช่นนั้นนอกจากจะเสียทรัพย์ไปโดยใช่เหตุคือโดยไม่จําเป็นแล้วยังนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตก็เสี่ยงต่อโรคติดต่อและเสี่ยงต่ออุปัตรคอันตรายต่างๆอีกด้วยถ้ารู้จัก สรรจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อสิ่งจําเป็นให้พอเหมาะแก่งบรายได้โดยความประหยัดคือพอเหมาะพอควรและให้มีเงินออมไวในยามจําเป็นบ้างตามฐานะของตนของตนแล้วอย่างนี้ย่อมไม่ถึงความลําบากฐานะเศรษฐกิจของตนก็จะมีแต่ความเจริญและมั่นคงให้มีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ส่วนเดียวประการที่สองผู้ประสงค์จะได้ความสันติสุขจากการได้ใช้สอยทรัพย์เพื่อการดํารงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมของสมเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและได้รับความสาเร็จในหน้าที่หรือกิจการงานในอาชีพโดยชอบคือโดยสุจริตแล้วจะมรีรายได้มากหรือน้อยก็าตามหรืออีกในหนึ่งจะยากดีมีจนอย่างไรก็าตามย่อมประสบความสันติสุขได้ด้วยความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในธรรมของสำเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าข้อพึงเป็นผู้มีความสันโดษ ในทรัพย์ที่ตนทำมาหาได้โดยสุจริตความสันโดษในทรัพย์ที่ตนทำมาหาได้โดยสุจริตนั้นแหละคือเครื่องวัดความสันติสุขของบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้มีไรายได้หรือมีทรัพย์มากหรือน้อยก็าตามความสันโดษณนะที่นี้หมายถึงความยินดีพอใจในทรัพย์เครื่องเลี้ยงชีวิตและหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเท่าที่มีและเท่าที่ทำมาหาได้โดยสุจริตไม่ลุแก่อำนาจของกิเลสตัณหา คือความทยานอยากมีอยากได้จนเกินกําลังให้เป็นทุกข์กล่าวคือหนึ่งยะาลาภสันโดษได้แก่ความยินดีพอใจในทรัพย์สินตามมีตามได้ของตนไม่เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ไม่อิจฉาคือไม่เพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นเขาโดยไม่เป็นธรรมไม่ริษยาคือไม่เป็นผู้ไม่อยากเห็นหรือไม่อยากได้ยินคนอื่นที่เขามีดีกว่าเราหรือเขาได้ดีกว่าเราหรือได้มากกว่ากว่าตน ก็จะมีแต่ความสันติสุขในการทุกเมื่อข้อ 2. ยถาพระสันโดษได้แก่ความยินดีความพอใจในทรัพย์ของตนที่สามารถทำมาหาได้โดยสุจริตด้วยลําแข้งของตนคือตามกําลังกายกําลังสติปัญญาความสามารถของตนไม่คอยแต่จะน้อยเนื้อต่าใจว่าตนไม่มีกําลังกายสติปัญญาความสามารถสร้างตนสร้างฐานะให้เท่าเทียมเขาก็เอาแต่โศกเศร้าเจ้าจุกจนจิตใจไม่สงบ และบางรายถึงสติวิปลาดไปหรือฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจที่ไม่สามารถจะสร้างฐานะให้มีเงินมีทองเทียมเท่ากับเขาได้อย่างนี้ก็มีจงอย่าเป็นอย่างนั้นแต่จงพอใจในทรัพย์สินที่ตนสามารถทำมาหาได้ด้วยลําแข้งของตนและจะเป็นสุขด้วยความสงบได้ในทุกโอกาสทุกยุคทุกสมัยข้อที่สยถาสารุ ป, ปสันโดษได้แก่ความยินดีความพอใจในทรัพย์ที่ตนทำมาหาได้โดยสุจริต ตามสมควรแก่ฐานะไม่คิดทะยานอยากมีอยากได้จนเกินฐานะเกินกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเมื่อรู้จักมีคุณธรรมข้อสันโดษในทรัพที่ตนทรมาหาได้โดยสุจริตอย่างนี้แล้วย่อมถึงความสันติสุขในชีวิตได้ในทุกโอกาสด้วยกันทุกคนประการที่สามผู้ประสงค์จะได้ความสันติสุขจากการที่สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีคืออยู่ในศีลในธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้ดีไว้ด้วยดีแล้วอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้มีเบญจศีลคือศีลห้าและเบญจา ก, กัรรยานธรรมคือคุณธรรมอันงาม5ประการคู่กันกับศีลดังต่อไปนี้ข้อ 1. เว้นจากเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพึงรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ด้วยดีมิให้กาดตกบกพร่อง และพึงให้มีกัลยาณธรรมคือให้มีความเมตตาความรักความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและมีความกรุณาคือความสงสารปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นที่มีทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงบุคคลผู้มีศีลมีกัลยามีกัลยาณธรรมอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีโรคภัยน้อยและย่อมเป็นที่รักของชาวโลกและเป็นผู้ปราศจากเวรภัยกับใครๆต่อไปในการข้างหน้า เว้นแต่จะได้รับผลจากอากุศสรกรรมเก่าที่ได้เคยทำไว้แต่ปางก่อนแม้นี้ก็ย่อมให้ผลอ่อนลงแก่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ข้อสองเว้นจากเจตนาลักช่อคดโกงและหรือการคอร์รัปชันต่างๆพึงรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ด้วยดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องและพึงมีกัลายาณธรรมคือประกอบแต่กิจการงานในอาชีพโดยชอบโดยสุจริตและให้รู้จักเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เสียสละเวลาความรู้ความสามารถและทรัพย์สินให้เป็นประโยชน์และหรือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตามกำลังบุคคลผู้มีศีลและมีกัญญามีกัญญานธรรมอย่างนี้ย่อมหาโภคะคือโภคทรัพย์ได้ไม่ขาดสายโภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็จะได้ที่ได้แล้วก็จะยั่งยืนและมั่นคงและโภคทรัพย์ก็จะไม่วิบัติจิบหายโดยราชภัยคือถูกยึดทรัพย์ โยรภัยอุทกภัยอักคีภัยวาตภัยหรือถูกช่อโกงตลอดทั้งภัยจากสงครามเป็นต้นข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือไม่สำสนในกิเลสกามพึงรักษาศีลข้อ น, นี้ให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ดีและพึงมีกัลยาณธรรมคือมีความสันโดษในคู่ครองของตนคือยินดีในคู่ครองของตนไม่คิดนอกใจบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีศัตรู ย่อมเป็นที่รักของปวงชนและบุตรหลานญาติมิตรจะหลับจะนอนก็เป็นสุขตื่นขึ้นก็เป็นสุขข้อ4เว้นจากเจตนาพูดเท็จหลอกลวงเขาพึงปฏิบัติให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ดีและพึงมีกัน ล, นลยาณนธรรมคือกล่าวแต่วาจาที่จริงมีความจริงใจทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือเชื่อถือในถ้อยคา มีคู่ครองบุตรหลานและบริวารก็จะเชื่อฟังด้วยดีนำมาสร่งความสันติสุขด้วยกันทุกฝ่ายข้อหเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสุราเบียรไวน์กัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาอีเป็นต้นก็จะได้แตะต้องแม้ทดลองเพราะเมื่อทดลองแล้วแม้ทีละน้อยละน้อยบ่อยๆเข้าก็จะติดแล้วก็เลิกละได้ยากเป็นทางให้เสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิต และเป็นเหตุให้เสียสมรรถภาพในการทำงานเพราะสติปัญญาเสื่อมถอยร่างกายก็สุดโทมพึงรักษาศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ดีและพึงมีกัลยาณธรรมข้อมีสติด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือความระลึกได้ว่านี้ทางเจริญนี้ทางเสื่อมแห่งชีวิตถ้าเผลอสติไปหลงปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็ให้รีบมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้เท่าทันบาปบุญคุณโทษ รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมแล้วก็รีบเลิกละทางเสื่อมเสียกลับตัวกลับใจหันมาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปในทางที่ให้เกิดความเจริญและสันติสุขบุคคลผู้ทำได้เช่นนี้ย่อมถึงความเจริญและสันติสุขได้ในการทุกเมื่อกล่าวโดยสรุปผู้ปรารถนาะความเจริญและสันติสุขในชีวิตจากความสําเร็จในหน้าที่กิจการงานในอาชีพก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสําเร็จ และได้ถึงความสันติสุขในปัจจุบันชื่อว่าทิฏฐธรรมมิตรธรรม4ประการคืออุท ธ, ธานสัมบทาคือความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรหนึ่งอารักษสมบทาคือความถึงพร้อมด้วยความรักษาหนึ่งกัลยาณมิตตตาคือรู้จักเลือกคบคนดีเป็นมิตรหนึ่งและสมชีวิตาคือการรู้จักใช้สอยทรัพย์แต่พอเหมาะพอควรแก่ทรัพย์ที่ธรรมาหาได้โดยสุจริตหนึ่ง ผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขจากการได้ใช้สอยทรัพย์ที่มีและที่ทำมาหาได้โดยสุจริตจะมากหรือน้อยก็าตามพึงมีความสันโดษคือความยินดีพอใจแต่ในทรัพย์สินที่ตนมีและทำมาหาได้โดยสุจริตนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขจากการที่ตนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดว่าจะไปทางไหนก็ไม่ต้องเอาปีบคลุมหัว คือไม่ต้องหลบลีหนีหน้าใครก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็ให้มีเบญจศีลเบญจธรรมให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อยู่เสมอเป็นอันถึงความเจริญและสันติสุขได้ในการทุกเมื่อทุกยุคทุกสมัยแม้ในยุคเศรษฐกิจกำลังซบเซาอย่างเช่นทุกวนันนี้สำหรับในวันนี้ก่อนที่จะจบรายการนี้อัตมาภาพขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในส่วนกลางผู้ประสงค์ คือสนใจที่จะจศึกษาและปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาธรรมได้ทุกวันอาทิตย์เวลาตั้งแต่9นาฬิกานาทีตลอดไปจนถึงเวลา14นาฬิกาทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกานาทีที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยน วัดสเกต ร, ราชวรวมหาวิหารได้ทุกวันและผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดใกล้จังหวัดราชบุรีก็ขอเชิญไปเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมหลังทำวัดเช้าเย็นได้ทุกวันที่วัดหลวงพระศดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดรา ช, ชบุรีได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจริญพร สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นปาตกาถาธรรมของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเรื่องทำตนอย่างไรให้มีสุขในยุคเศรษฐกิจซบเศาสาธุชนคงได้ความรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้รายการธรรมส่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไป